ทนีมาขึ้นย ม, มกะปาติหาริยญาณ น, นะครับญาณที่เป็นยมกปาติหารแสดงฤทธ์ดได้เป็นคู่ๆเลยนะครับอันหนึ่งย ม, มกะปาติหาริยญาณของพระผู้มีพระภาคอันเป็นเหตุเนรมิตนะครับคือทําฤทธ์ต่างๆกันที่ไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นนะครับอันทําท่อไฟและสายน้ําให้เป็นไปเหมือนอย่างข้อความในคำพีปฏิสัมพิธามักที่พระสารีบดแสดงไว้ว่า ถามว่ายมกะปาฏิหาริยญาณของพระตถาคตเนี่ยเป็นฉไงญาณ น, นี้ของพระตถาคตย่อมทรงธรรมยมกะปาติหารไม่สาธารณะด้วยหมู่ภาษาวกนะครับไม่มีสาวกองคไหนที่จะทําได้อย่างนี้หรอกคือท่อไฟพุ่งออกจากผักายเบื้องบนกายเบื้องบนก็สมมติทนับสะดือขึ้นนะครบเบื้องบนเนี่ยนะครับสายน้ําก็พุ่งออกจากผั ก, กายเบื้องล่างต่ํากว่าสะดือลงไปเนี่ยสายน้ําพุ่งออก ท่อไฟพุ่งออกจากผ้ากายเบื้องล่างนะครับคือจากสะดือลงไปสายน้ําก็พุ่งออกจากผ้ากายเบื้องบนหากว่าท่อไฟเนี่ยพุ่งออกจากผ้ากายเบื้องหน้านะครับสายน้ําก็พุ่งออกจากผ้ากายเบื้องหลังข้างหน้าข้างหลังกันนะถ้าหากว่าท่อไฟพุ่งออกจากผ้ากายเบื้องหลังสายน้ําก็พุ่งออกจากผ้ากายเบื้องหน้านี่มาตาบางถ้าหากว่า ท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรคือตาเบื bueno. to ้องขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากพระเนตรคือตาเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรคือตาเบื้องซ้ายท่อน้ำก็พุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากช่องพักการเบื้องขวาคือช่องหูขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากช่องพักการคือหูเบื้องซ้าย ท่อไฟพุ่งออกจากช่องพ้กันเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากช่องพ้กันเบื้องขวานะครับนี่จมูกท่อไฟพุ่งออกจากช่องผนางศิษย์เบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากช่องผนังศิษย์เบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากช่องผนางศิษ์เบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากช่องผนางศิษ์เบื้องขวาท่อไฟนี้พุ่งออก จากพระจงอยพระอังศาเบื้องขวาคือบาขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากจงอยพระอังศาคือบ่าซ้ายนะครับท่อไฟพุ่งออกจากพระจงอยพระอังศาเบื้องซ้ายสายน้ำก็พุ่งออกจากจงอยพระอังศาเบื้องขวานะครับนี่ก็บาทีนี้ก็แขนบางนะครับท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องซ้ายนะครับมือหรือแขนนะครับ ถ้าว่าท่อไฟพุ่งออกจากพผัดเบื้องซ้ายสายน้ําก็พุ่งออกจากพผัดเบื้องขวานะครับก็คือมือซ้ายมือขวานั่นเองทีนี้ พ, พระประลัดนะครับสีข้างสีข้างซ้ายข้างขวาพ่อไฟพุ่งออกจากพระประลัดเบื้องขวาสายน้ําพุ่งออกจากพระประลัดเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจาก พ, พระประลัดเบื้องซ้ายสายน้ําพุ่งออกจาก พ, พระประลัดเบื้ง อ, องขวา ท่อไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวาสายน้ำพุ rounds, ่งออกจากพระบาทเบื <naughty vé> ้องซ้ายนี่หมายถึงเท้านะครับท่อไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวาต่อไปนิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยนะท่อไฟพุ่งออกจากพระองคุลีสายน้ำพุ่งออกจากระหว่างพระองคุลี ท่อไฟพุ่งออกจากระหว่างพระองค์คุลีสายน้ำพุ่งออกจากพระองค์คุลีก็คือช่องนิ้วอะนะนิ้วกับช่องนิ้วนั่นเองสายน้ำกับไฟนี่สลับกันนะครับต่อไปก็ขุมขนนะครับท่อไฟนี่พุ่งออกจากพระโลมาเส้นหนึ่งหนึ่งสายน้ำก็พุ่งออกจากพระโลมาเส้นหนึ่งหนึ่งนะครับท่อไฟพุ่งออกจากขุมผะโลมาสายน้ำก็พุ่งออกจากขุมระโลมานะครับเพราะฉะนั้นทั้ง ขนทั้งขุมขนก็มีท่อน้ําท่อไฟนี่ไหลออกมานะครับสายน้ํากับท่อไฟเนี่ยถ้ามาบวกกับรัศมีขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนั้นรัศมีทั้ง6ที่แผ่ซ่านออกจากพระสรีระแล้วมีสายน้ําออกมาแบบนั้นนะ น, นะพรนสรีระกายก็ด้วยสามารถแห่งวันณนะหคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีอ่าประภะสีแสดเนี่ยบางทีว่าหงสะบาดนะครับเล้วเรื่อมประภัสสนนี่ยนะ เพราะฉะนั้นรัศมีสีทั้งหกเนี่ยครับสลับออกจากร่างกายนั้นมีท่อไฟท่อนท่อไฟท่อน้ําพุ่งออกมาแล้วบวกกับสีเหล่านั้นเข้านะครับแต่ว่าเสียใจนะครับทําบุญมาไม่พอได้หันนะครับยังต้องรอ <c oughs> พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จึงจะได้เห็นนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทําบุญมาพอได้เห็นขนาดนั้นหรอนะได้อ่านก็ยังดีพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมนะครับคือพระผู้องค์เนี่ยเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นนะครับ พระผู้มีร พ, beings, พระภาคเสด็จจงกรมพระพุทธนเรมิตรก็ประทับยืนประทับนั่งหรือสยญาติถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคทรงประทับยืนพระพุทธนเรมิตรก็เสด็จจงกรมประทับนั่งหรือสยญาติพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพระพุทธนเรมิตรก็เสด็จจงกรมประทับยืนหรือทรงสยญาติพระผู้มีพระภาคทรงสยญาติ imiz, พระพุทธนเรมิตรก็เสด็จจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมประทับนั่งหรือสายญาตพระพุทธนิมิตนะครับก็ประทับยืนพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมประทับยืนหรือสายญาตพระพุทธนิมิตประทับนั่งถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนประทับนั่งหรือจงกรมพระพุทธนิมิตก็ทรงสายญาตนะครับนันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสององค์นะนีทีนี้ถ้าหากว่าเราจะดูรายละเอียดนะครับที่เป็นรูปธรรมก็ต้องอ่านในยมกะ ปาฏิหาระครับในในพุทธวัตรนะในคาถาธรรมบทที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงเสด็จทรงแสดงยะมะกกปาฏิหารนะครับที่ต้นคันดามะพฤกนะครับที่ที่นายคันดามะพฤกให้มะม่วงนะครับถวายลูกมะม่วงแด่พระผู้มีพระภาคแล้วในตรงนั้นเนี่ยพ่อของก็แสดงยะมะกกปาฏิหารนะครับแสดงยะมะกกปาฏิหารแล้วก็แสดงธรรม ให้ประชาชนฟังและพระองค์ก็เสด็จขึ้นจําพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวปดึงฐ์นะครับทีนี้ในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงยะมะกะปารติหารเหล่านี้นี่นะครับไม่ใช่ว่าแสดงเฉยๆนี่นะครับให้คนดูเฉยๆนะในระหว่างการทํายะมะกะปารติหารก็ตรวจ ด, ดูอัธยาศัยของสัตว์ด้วยสัตว์ทั้งหลายยินดีจะให้พระองค์แสดงฤทธิ์แบบไหนพระองค์ก็จะแสดงฤทธิ์ตามอัธยาศัยของสัตว์ในอย่างหนึ่งแล้วพระองค์ก็ตรวจ ด, ดูอินทรีย์ นะอินเดียประโภติยติยานอย่างที่ว่าไปนะครับตรวจ ด, ดูอาสยานุสยายานของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตรวจ ด, ดูวาระจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16นะครับว่าจิตมีราคะเป็นต้นไหมแล้วจิตอธิมุตเป็นต้นแล้วแสดงธรรมสลับนั้นนะครับตามอัธยาศัยของสัตว์ในระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นทำ ม, มาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมแก่สัตว์นี่นะครับประมาณ20โกรธเลยนะครับวันนั้นนะครับ แล้วก็ที่บรรลุกแก่เทวดาก็ไม่ได้กล่าวนะครับว่าบรรลุไปขนาดไหนนะครับนั้นการแสดงยมะกะปาฏิหารการแสดงฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับที่พระองค์ทำเนี่ยก็เพื่อประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดจะมาบรรลุเพราะแสดงฤทธิ์เหล่านี้เลยพระองค์ไม่แสดงนะครับพระองค์อึดอัด ชิงชังระอาหเหมือนกันนะครับท่าจะต้องแสดงแบบนี้นะคล้าย้ายิ่งเป็นการแสดงเพื่อเที่ยวโอ้อวดเป็นต้นนะเพระองค์ไม่มีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการแสดงฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อที่จะทรมานหรือฝึกเวนัยสัตว์เมื่อแสดงฤทธิ์แล้วนะครับอาศัยเมื่อพระองค์แสดงฤทธิ์เขาจะได้บรรลุมรรคผลเป็นต้นนะครับพระองค์จึงจะทำนะครถ้ามีวิธีอื่นพระองค์จะใช้วิธีอื่นไปนะครับพระองค์จะไม่ทําฤทธิ์ง่ายๆนะครับ พระ อ, องค์ชื่นชมอนุสาสนีปาฏิหารนะครับชื่นชมในการแสดงพระธรรมเทศนาพระ อ, องค์นี้ไม่ไม่ยินดีใน อ, อิทธิปาฏิหารกับอาเทศนาปาฏิหารพระ อ, องค์นี้ทรงยินดีในอนุสาสนีปาฏิหารเพราะอะไรครับเพราะว่าอนุสาสนีปาฏิหารเนี่แหละครับเป็นเหตุให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคดํารงมั่นอยู่ในโลกได้ยาวนานเพราะว่าอิทธิปาฏิหารถ้าผู้ไม่มีฤทธ์ก็ทําไม่ได้ อาเทศนาปาติหารถ้าไม่มีฤทธิ์เป็นต้นก็ทําไม่ได้ส่วนอนุสาสนีปาติหารผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับตามพระธรรมคําสอนเนี่ยนะครับมีสติมีปัญญาทรงจําไว้ดีก็สามารถที่จะเจริญอนุสาสนีปาติหารสามารถที่จะแสดงธรรมพร่ำสอนแก่หมู่ประชาสัตย์ได้นะครับแล้วก็หมู่ประชาสัตย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ ก็จะได้เป็นส่วนแห่งบุญหรือว่าวาสนาภาคยะส่วนแห่งอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคองค์ต่อไปเพราะว่าพระอริยเจ้านะครับบางส่วนที่ไม่มีริษไม่มีอิทธิปาฏิหารก็มีที่ไม่มีอาเทศนาปาฏิหารก็มีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นนะครับหรือก็ท่านก็มีอนุสาสนีปาฏิหารหรือแม้กระทั่งกัลยาณนะปุตุชนผู้ประกอบไปด้วยศรัทธา ผู้ประกอบด้วยศีลผู้มีสุตตะมีจาระมีสติมีปัญญาแต่ก็ยังเป็นกรัลรยาณนะ์นปุถุชนก็สามารถที่จะแสดงพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้เพรผลถ้าหากว่าคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายมารอแต่อิทธิปาติหารรอแต่อาเทศนาปาติหารเมื่ อ, อไหรจกได้ฟังธรรมเป็นต้นนะครับมันก็อุปนิสัยที่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงชื่นชมในอนุศาสนีปาติหารมากนะครับ มีคนมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาบอกว่ า, เ, าเทระวาทกับมหายาณเนี่ยจะต่างกันตรงที่เทราวาทเนี่ยตาบใดถ้ายังไม่รู้ไม่บรรลุเนี่ยจะไม่ค่อยอามาสอนคนอื่นมุ่งจะเอาตัวเองรอดก่อนส่วนมหาญาณเนี่ยเขามุ่งช่วยเหลือผู้อื่นมาฟังตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับช่วยช่วยทำอะไรครับช่วยคนอื่นแสดงธรรมไหมครับ คือมันต้องดูด้วยนะครับถ้าหากว่ า, ารู้ไม่ค่อยจริงและแสดงธรรมนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับคือปัญหาสําคัญที่สุดนะครับสําคัญที่สุดก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในพระสัตธรรมคําสอนนะครับไม่ใช่รู้งูๆูปลาปาแล้วก็เที่ยวสอนนะครับเหมือนกับว่าสำนวนนะของจะอุปมาเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยนะครับไปเรียนวิชาจับนกเป็นต้นเนี่ยนะ เรียนวิทาใส่บ่วงจับนกเนี่ยน ะ, ะเนื่องจากเรียนไม่ทันจบนะครับได้วิธีมานี่ๆหน่อยๆนะไปไล่นกหนีซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ไปจับนกอะไรหรอกฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในพระสัตธรรมคําสอนเป็นอย่างดีเมื่อแสดงธรรมบรรยายธรรมเป็นต้นไม่สามารถแก้ปัญหา น, านั้นๆที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าบางคนก็แสดงไปด้วยอํานาจของโลภะโทสะหรือ มานะเป็นต้นนะครับก็ไล่ให้ผู้ที่พอจะมีศรัทธาเนี่ยนะครับเสื่อมหายจากพระศาสนา ม, มากขึ้นหรือถ้าหากวา่าผู้ที่อบรมจิตมาไม่ค่อยดีเมื่อเขามาเลื่อมสายก็น้อมมาหาตัวนะครับน้อมศรัทธาทั้งหลายมาหาตัวไม่ได้น้อมไปเพื่อความเจริญงอกงามในพระรัตนตรัยนะครับแทนที่จะชี้นําให้เขาทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเปล่าเลยดึงเขาให้มาหาตัว ถ้าพฤติกรรมในลักษณะนี้นะครับคนเหล่านี้เรียกว่าปุลุทูสกรรมนะครับเพราะว่าพระพฤติอย่างนี้มากๆ ก, ก็จะรักษาศรัทธาให้เข้ามาศรัทธาในตัวทําให้ตระกูลเหล่านั้นๆ น, น, นะครับเสื่อมจากพระรัตนตรยัยเพราะคําว่าพิสูุที่ปะทุสลายตระกูลนั้นหมายถึงพิสูตที่ดึงศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับให้ห่างจากพระรัตนตรยัย ด้วยให้หันมาศรัทธาในตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวประจบประแจงเขารับใช้เขาเขาสุสขขาากกับสุข ก, กับเขาเขาทุกข์กับทุกข์กับเขานะครับเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าประทุษรายตระกูลให้เขาหันเหจากพระรตนะนตรัยนะครับก็หันก็ดึงเข้ามาหาตัวหลายเจ้าบางเจ้าก็หันให้มาถือตัวเองเป็นสารณะไปเลยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ทําตัวในลักษณะนี้นะครับเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวพุทธพจน์ก็ไม่ชื่นชม แต่ถ้าหากว่ากล่าวถ้อยคําของตัวเองที่บัญญัติขึ้นแม้ชื่นชมมนุโมทนาเหลือเกินแต่ถ้าเขากล่าวพุทธพจน์แล้วไม่ชื่นชมเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเขาได้ทําลายบุคคล น, นั้นให้ห่างจากพระรัตนตรายจริงๆแม้พุทธพจน์ที่บุคคล น, นั้นกล่าวถึงถูกต้องก็ยังไม่ชื่นชมแสดงว่าเผยแพรเพ่เพื่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเผยแพร่ก็แอบอ้างพระาษาธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไวอ้อิงแต่ทีนี้ พอหนักๆเข้าเมื่อมีบุคคลใดกล่าวธรรมก็น้อมเข้ามาหาตัวนะครับน้อมเข้ามาหาตัวหนักๆเข้าใครที่อ่านพุทธพจน์ก็ดูหมิ่นวันนั่นปริยัตนะครับทั้งๆที่ปริยัตนั้นเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาจะประพฤติปฏิบัติก็เอาแบบที่ตัวเองสอนแต่เวลาเรียนปริยัตไปเรียนของพระพุทธเจ้าเวลาจะมาปฏิบัติต้องทิ้งปริยัตก่อนแล้วมาปฏิบัติตามของตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าน่าคิดนะครับว่า ปทุสร า, ายตระกูลให้ตระกูลหรือให้ค า, ารวะญาติโยมเป็นต้นเนี่ยนะ<ม>ห่างจากพระรัตนตรัยหรือเปล่านะครับ<ม>ต้องทบทวนนะถ้าผิดพลาดนะครับท่านเหล่านั้นนั่นแหละเป็นคนที่ทำใสดักสัตว์ทั้งหลายให้หันเหจากพระรัตนตรัยนะครับ<ม>ก็เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนะครับแอบอิงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนทั้งหลายเหล่านี้มีโทษเพราะฉะนั้นผู้ที่จะ ทำงานด้านนี้เป็นต้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็ควรให้ทราบซึ้งคุณของพระัตนะไตรนะครับแล้วดึงให้เขาไปหาพระรัตนะไตรที่เหลือพระัตนะไตรจะแนะนําเขาเองไม่ใช่เราเป็นคนแนะนําเขาอย่างมากเราก็อ่านพระธรรมคำสอนให้เขาฟังเราก็ได้บุญในส่วนนี้นะครับแต่ธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของพระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไปแอบอิงเอาของพระองค์มาเราก็เป็นนะรครับ เรียกว่ามหาโจร น, นะครับปล้นคําสอนของพระธรรคตอาหารตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ทําพฤติกรรมในลักษณะนั้นเขาจะประสบบาปนะครับคือสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากคิดดูนะขนาดพระองค์ดีขนาดนี้ยังยังตั้ไม่ชื่นชมพระองค์อ่ะนะคือไม่ชมคนที่ควรชื่นชมอ่ะนะนะไปชื่นชมตัวเองซึ่งเป็นอาสัตว์บรุษยินดีในตัวเองซึ่งเป็นโมฆะบุรุษเหล่านี้เนี่ย เขาจะห่างไกลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปขนาดไหนนะครับทําตัวให้ห่างเหินจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไปขนาดไหนเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะบําเพ็ญบารมีมาเหมือนกันตรัสรู้เหมือนกันแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์พ้นจากวัฏทุกข์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้หันเหเข้าหาพระตนตรยัยไม่ใช่ว่า โอ้โหเขาเลื่อมสายในพระรัตนตรายอยู่แล้วดึงมาหาเรานะครับไม่มีนะครับผ้าอรหันทั้งหลายเนี่ยนะแม้แต่พระมหากัจจยนะนะมีคนมาถึงท่านว่าเป็นสารณะท่านไม่ยอมท่านให้ถึงพระรัตนตรายเถิดนะครับอ่านะให้ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะอย่าได้ถึงท่านเป็นสารณะผ้าอรหันทั้งหลายท่านทําอย่างนั้น แต่คนในยุคหลังๆมานะครับเมื่อขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทราบเสื่งถึงคุณของพระตนะตรดึงดึงศรัทธาทั้งหลายมาหาตัวเองทีนี้ถ้าหากว่าคิดด้วยใจที่บริสุทธิยุติธรรมนนะครับถ้าเขาคิดถึงเรากับคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาอะไรจะได้บุญมากกว่ากันนะครับเาถ้าเขาคิดถึงเราเนี่ยนะ คิดถึงไหนครับส่วนดีตรงไหนบ้างศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติยานาัศนะมีอะไรบ้างพอให้เขานึกนึกก็เห็นแต่โลภะเห็นแต่โทสะเห็นแต่โมหะเห็นแต่อิจฉามัจฉ ร, ริยะกุกกุจจะบาปอากุโสลธรรมทั้งหลายโอ้สังสารเพวกสังสารทุกข์ที่จะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนึกแง่ไหนก็หาข้อชื่นชมยาก แต่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านึกตามยังไงก็ยิ่งปราบปลื้มใจยิ่งโสมนัสนะโอพระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุกแก่สัตว์จริงๆพระองค์นี้ตรัสรู้จริงพระองค์นี้เป็นพระอรหันตเป็นต้นนะครับอย่างคุณทั้งหลายที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสมพุทโธเป็นต้นนะครับในพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นเราควรตามชื่นชมตามและลึกนึกถึงคุณยิ่งตามและลึกปีติและปราโมทจะเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ตามอนุภาพแห่งสติและปัญญาที่สามารถตามระลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์ได้นะครับนั้นเราควรที่จะส่งเสริมไปในลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนั้นเราก็มาแฝงมาแฝงแล้วก็แอบจับเยื่อนะครับอาศัย้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจนะครับสิ่งที่ทำนี้อย่าคิดนะว่ากรรมไม่มีผลนะครับ พราะพาะองค์ตรัสว่าชาวนะดวงที่หนึ่งนะครับให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติหน้าสองถึงหให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปอย่างไรเสียให้กรุณาแก่ตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดจิตที่คิดนี่นะครับเป็นมรดกบุญและมรดกบาปต่อไปในภพต่อๆไปนะครับหรือไม่ใช่ภพต่อไปแม้แต่ภพนี้ก็บ้านปลายของชีวิตเป็นต้นหรือภพหน้าหรือภพต่อไปอันหาประมาณไม่ได้สําหรับผู้ยังไม่เห็น สัจธรรมทีนี้บางคนก็สําคัญผิดว่าตัวเองนี่เห็นสัจธรรมแล้วก็เอาสัจธรรมที่ตัวเองเห็นเนี่ยมาเทียบกับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูเทียบกับพระไตรปิฎกดูถ้าไม่เข้ากันก็ต้องแสดงว่าของสัจธรรมที่เราเห็นกับของพระพุทธเจ้าเห็นน่าจะคนละอันเพราะฉะนั้นเราน่าจะตรัสรู้ใหม่แล้วนะซึ่งไม่ใช่อันเดียวกันกันกบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราทั้งหลายจะตรัสรู้รมได้ในยุคนี้ก็เป็นได้แค่ สาวกนะครับถ้าจะไม่เป็นสาวกก็ต้องรอให้าศาสนาหมดก่อนแล้วตรัสรู้เป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากว่าบำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมก็คือพระศีอารดีๆนั่นเองนะครับแต่แน่ใจนะนะครับว่าปิดอบายได้นะครับฉันในช่วงนี้คงใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อนนะครับ